หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์พระมังสะในที่เจแห่งเต็มบริบูรณ์ได้แก่ที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่หลังพระบาททั้งสองมีพระมังสะพูนเต็ม ที่จะงอยบ่าทั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่ลำพระศอมีพระมังสะพูนเต็มมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ น, นั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้าที่ควรดื่มอันปราณีตมีรสอร่อย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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมและน้าที่ควรดื่มมีรสอันเลิศเพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงยิ่งตลอดกาลนานในสวนนันทวันเสด็จมาในโลกนี้อีก ทรงได้พระมังสะในที่เจ็แห่งเต็มบริบูรณ์ได้ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตทํานายมหาบุรุษนั้นว่าเป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันมีรสลักษณะนี้ใช่ว่าจะบ่งบอกถึงการได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคเฉพาะเมื่อมหาบุรุษเป็นขรท่านั้นแม้เมื่อทรงออกผนวด ก็จะได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคนั้นเหมือนกันบัณฑิต ท, ทั้งหลายทำนายมหาบุรุษผู้ได้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคที่มีรสอันเลิศว่าพระองค์จะเป็นผู้ตัด ก, กิเลสเครื่องผูกพันของเคระหัตทั้งปวงได้ 7-8 ถึง ลักษณะพระหัตต์และพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายภิกูุ์ทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคาวัตถุสีคือ 1. ทานการให้ 2. เปยวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ สีสมานตต า, ตาการวางตนสม่ำเสมอเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพ่อพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไยบณ์ลแล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่ม 2. มีฝ่าพระหัตต์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อองค์พระคุรีจดกันเป็นรูปตะไคร์มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนคือพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบท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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงกระทำรรและประพฤติสังหะธรรมอย่างดีแก่คนหมู่มากคือ 1. ทาน 2. เปยยวัชชะ 3. อัธจริยา 4. สมาสัมณตตาไปสู่สวรรค์ด้วยคุณที่ใครๆดูหมิ่นไม่ได้จุติจากสวรรค์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีก ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นงดงามทรงได้พระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มมีฝาพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองค์ลุลีจดกันเป็นรูปตะไคร้งามอย่างยิ่งเลอเลิศและน่าชมถ้าพระองค์ครอบครองแผ่นดินนี้ก็จะมีบริวารอันพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัสวาจาเป็นที่รักสแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์โปรดยิ่งถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวงเป็นพระชินสีตรัดธรรมกถาแก่ประชุมชนชนทั้งหลายก็จะสนองพระดำรัสของพระองค์เลื่อมสายยิ่งนักครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม เกถึงสิ 10. ลักษณะข้อพระบาสูงและพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้นภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมแนะนำคนหมู่มากเป็นผู้นาประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติเพราะตถาคตได้รำสังสมพ่อภูนกรรมนั้น ทำให้รมนั้นไพยบู์และถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีข้อพระบาทสูง 2. มีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้นมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร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 จึงเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรณีได้เสียสละบูชาธรรมแล้วพระองค์ไปสู่สุคติบันเทิงอยู่ในสุคตินั้นเพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นเสด็จมาในโลกนี้อีกได้พระลักษณะสองประการอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นประมุขสูงสุดมหาบุรุษนั้นมีพระโลมชาติมีปลายงอนขึ้นและมีข้อพระบาทได้สัดส่วนอย่างดี มีพระมังสะและพระโลหิตเต็มห่อหุ้มด้วยพระตจะและมีพระชานุส่วนบนสง่างามมหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพวกที่บริโภคกรรมไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์จะทรงครอบครองทั่วทั้งชมพูทวีปอันหนึ่งถ้าพระองค์ทรงออกผนวกก็จะทรงมีพระวิริยะไม่ย่อย่อน ถึงความเป็นผู้เลิศ ก, กว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ทรงครอบครองโลกทั้งปวงอยู่ 11. ลักษณะพระชงเรียวดูดแข้งเนื้อสายภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ตั้งใจสอนศินละปะวิชาจรณะหรือกรรมโดยประสงค์ว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้ได้เร็วพึงปฏิบัติได้เร็วไม่พึงลำบากนานเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมละถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสาย มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้ภาณนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งขบวนทัพของพระราชาเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้ละถึง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 ระโบรานกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงปรารถนาอยู่ว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายจะพึงรู้ในเรื่องศิลปะในเรื่องวิชาในเรื่องจรณะในเรื่องกรรมได้อย่างแจ่มชัดโดยพลันศิลปะเป็นต้นใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ใครๆจะทรงบอกศิลปะเป็นต้นนั้นทันทีด้วยทรงหวังว่า เขาจะไม่ต้องลำบากนานเพราะทรงทำกุศลธรรมมีความสุขเป็นกำไรนั้นแล้วจึงทรงได้พระชงเป็นที่พึงใจกลมได้สัสดส่วนงดงามเรียวไปตามลำดับมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นและมีพระต จ, จัะอันละเอียดห่อหุ้มแล้วบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวถึงมหาบุรุษนั้นว่ามีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทาย และกล่าวถึงลักษณะแห่งคุณสมบัติในเรื่องนี้ไว้ทันทีว่าถ้ามหาบุรุษนี้ไม่ทรงออกผนวดจะได้สิ่งที่พระองค์ปรารถนาอันสมควรแก่การครองเรือนทันทีแต่ถ้ามหาบุรุษเช่นนั้นทรงออกผนวดทรงยินดีในเนคข ม, มะฉันทะมีพระปีชาเห็นแจ้งมีพระวิริยะไม่ย่อย่อนจะทรงได้สิ่งที่เหมาะที่ควรทันที 12. ลักษณะพระทวีละเอียดภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกาเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่พระเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เือคูณเพื่อทุกตลอดกาลนาน หรือว่าอะไรที่ขา้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อเครือกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพ่อพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพยบู์แล้วละถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีละเอียดจนละอองทุลีไม่อาจติดพระวรกายได้มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีปัญญามากบรรดากามโภคีบุคคลไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้และถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีปัญญามากทรงมีปัญญากว้างขวาง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 พระโบราณกาเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติกรรประสงค์จะรู้ทั่วถึงจึงเข้าไปหาบรรพชิตสอบถามตั้งใจฟังด้วยดีมุ่งประโยชน์ไตรตรองเรื่องที่เป็นประโยชน์อุบัติเป็นมนุษย์มีพระชวีละเอียดเพราะกรรมที่เป็นไปเพื่อได้ปัญญาบัณฑิตผู้ฉลาดในลางและนิมิตทานายว่า พระกุมารเช่นนี้จะทรงอย่างรู้อัฏถะอันลุ่มลึกแล้วถ้ามหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นไม่ทรงออกผนวดก็จะหมุนจักให้เป็นไปปกครองแผ่นดินในการสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนดรู้ไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ถ้ามหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นทรงออกผนวดทรงยินดีในเนคคัมมะฉันทะจะมีพระปีชาเห็นแจ้ง ทรงได้พระปัญญาอันพิเศษอันยอดเยี่ยมบรรลุพระโพธิญาณมีพระปัญญาประเสริกว้างขวางดังแผ่นดิน 13. ลักษณะพระชวีสีทองภิกษุทั้งหลายในชากรพบกรกำเนิดกร ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองล้างจองพลานไม่สำแดงความโกรธความคิดประทุษร้ายและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องลาดมีเนื้อดีอ่อนนุ่มและให้ผ้าห่มที่เป็นผ้าขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดี พระตถาคตได้ทําสั่งสมพ่อพูนกรรมนั้นและถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีสีทองคือคล้ายทองคํามหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้เครื่องราชเนื้อดีอ่อนนุ่ม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 และได้ให้ทานคือผ้าเป็นอันมากล้วนแต่เนื้อดีมีสีงดงามดำรงอยู่ในภพก่อนๆทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดินครั้นทรงทำรรกุศลกรรมนั้นแล้วจุติจากโลกมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ทรงทำไว้ดีมีพระชวีคล้ายทองปกครองหมู่เทพในเทวโลกดุจพระอินผู้ประเสริฐกว่าเทวดาฉะนั้น ถ้าทรงครองเรือนไม่ปรารถนาที่จะทรงออกผนวดก็จะทรงครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ปกครองประชาชนในแผ่นดินนี้ทรงได้พระชวีที่ละเอียดงดงามและไม่มีมลทินพร้อมทั้งรัตนเจประการถ้าทรงออกผนวดก็จะได้ผ้านุ่งและผ้าห่มอย่างดีและทรงได้รับประโยชน์สวยผลกรรมที่ทรงกระทำไว้ในพบก่อน ไม่มีความหมดสิ้นไปแห่งผลกรรมที่พระองค์ทรงทำไว้เลย 14. ลักษณะพระคุยหาฐานเร้นอยู่ในฝักภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำพวกญาติมิสหายผู้มีใจดี ที่หายไปนานจากกันไปนานให้กลับมาพบกันคือนํามารดาให้พบกับบุตรนําบุตรให้พบกับมารดานําบิดาให้พบกับบุตรนําบุตรให้พบกับบิดานําพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่ชายน้องชายนําพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาวนําพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่ชายน้องชายนําพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่สาวน้องสาว ครั้นทำให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมเพราะตะถาคตได้ทําสั่งสมพออพูนรมนั้นและถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระคุยหาฐานเร้นอยู่ในฝักมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโอรสมากมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชาสตรูได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานีและถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระอริยสาวกมากพระอริยสาวกของพระองค์มีจานวนหลายพันเป็นผู้กล้า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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันนี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติตอนกรได้ทรงนำพวกญาติมิตรที่หายไปนานจากกันไปนานให้มาพบกันครั้นทรงทําให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมเพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงเข้าไปสู่โลกทิพย์เสวยความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินและยินดี จุติจากเทวโลกแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้องคคาพยกคือพระคุยหถานที่ควรปกปิดด้วยผ้าเร้นอยู่ในฝักมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมากพระโอรสของพระองค์มากกว่าพันองค์เป็นผู้แกล่วกล้าเป็นวีระบุรุษสามารถให้ศัตรูพ่ายไปให้ปีติเกิดและทูลถ้อยคำน่ารักแกมหาบุรุษที่ยังทรงเป็นฆรห์เมื่อมหาบุรุษทรงออกผนวตรำเพนพรต จะมีพระษาวกมากกว่านั้นล้วนแต่ดำเนินตามพระพุทธพจน์ลักษณะนั้นย่อมบ่งบอกถึงพระคุยหัานที่เร้นอยู่ในฝักของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นครหัตหรือบรรพชิตภาณวาระที่หนึ่งจบ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 รู้จักความแตกต่างของบุคคลอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้บุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้แล้วทำให้เหมาะกับความแตกต่างในฐานะนั้นๆในการกนเพราะตถาคตได้ทำสั่งสม พ, อพ่อภูมกรรมนั้นและถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระวรกายเป็นปริมนทนดุจปริมนทนแห่งต้นไทรสอเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปคลํำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก มีทองและเงินมากมีอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรั์และข้าวเปลือกมากมีพระคลังเต็มบริบูรณ์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้และถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรั์มากมีโพคะมากพระองค์จะทรงมีทรั์เหล่านี้คือศัทธาธนะรั์คือศัทธาศีลันะซั์คือศีล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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจารณาแล้วสอดส่องแล้วคิดแล้วอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้แล้วทําให้เหมาะกับความแตกต่างของบุคคลในฐานะนั้นๆในการก่อนก็แล่พราะเศษของผลกรรมที่เป็นสุจริต พระมหาบุรุษเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงเพาะทรงรูปคลั่ถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้และมีพระวรกายเป็นปริมนทนดุจต้นไทรที่งอกงามบนแผ่นดินมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาละเอียดรู้จักนิมิตและลักษณะมากอย่างทำนายว่าพระกุมาร น, นี้เมื่อยังทรงพระเยาวมีพระรูปพระโฉมงดงามจะได้สิ่งอันคู่ควรแก่พระัตมากอย่าง พระกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินในโลกนี้จะทรงมีกามโภคะซึ่งควรแก่ครหัหเป็นอันมากถ้าพระกุมาร น, นี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงจะทรงได้ทรัพย์อันเลิศยอดเยี่ยมสูงสุด 17-19 ลักษณะมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีเป็นตน้นภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความพาสุขหวังความกระเกษมจากโยคะแก่คนหมู่มากด้วยมนาิการว่าทรเชนไหนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตะ เจริญด้วยพุทธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรัพและธัญชาตเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าเจริญด้วยบุตรและภรนยาเจริญด้วยทาตกรรมกรและคนรับใช้เจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพ่อภูมกรรมนั้นละถึง จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสามประการคือ 1. มีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสี 2. มีร่องพระปริศดางเต็มเสมอกัน 3. มีลำพระสอกลมเท่ากันตลอดมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึง เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้แก่ไม่เสื่อมจากทรัพย์และธัญชาติไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าไม่เสื่อมจากบุตรและพัญญาไม่เสื่อมจากทาตกรรมกรและคนรับใช้ไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสมบัติทุกอย่างเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้ และถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา teasing, ได้แก ge, ่ไม่เส 39, commonly, roman, ents, ื Baldwin, Mario, method, ่อมจากศรัทธาไม่เสื ky, ่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทุกอย่างเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว โบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงปราถนาและทรงหวังความสําเร็จประโยชน์ว่ารทำฉนัยชนเหล่าอื่นไม่พึงเสื่อมจากศรัทธาจากศีลจากสุตะจากพุทธิจากจาคะจากธรรมจากสิ่งที่ทําให้สําเร็จประโยชน์มากอย่างจากทรัพย์และธัญชาติจากนาและสวนจากบุตรและพัญญาจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้า จากญาติจากมิตรจากพวกพ้องจากพละจากวรรณะและจากสุขทั้งสองประการมหาบุรุษนั้นมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดลำตัวท่อนหน้าของราชสีมีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดและมีร่องพระปฤษสดางเต็มราบเสมอกันลักษณะทั้งสามประการนั้นเป็นบุพพนิมิตอันไม่เสื่อมของพระองค์เพราะกรรมที่ทรงสั่งสมกระทําไว้ในการก่อนมหาบุรุษแม้ทรงเป็นครหัต ทรงเจริญด้วยทรัพย์และธั ญ, ญชาติบุตรและพัญญาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียออกผนวดจะบรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยมมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา 20. ลักษณะมีเส้นประสาทรับรถพระกรยาหารได้ดี ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศัตราเพราะตถาคตได้ทำสังสมพออพูนคานั้นละถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีเส้นประสาทรับรสพระกรยาหารได้ดี มีเส้นประสาตรับรถพระกรยาหารเกิดที่ลำพระสอและมีปลายชูชันรับรถพระกรยาหารส่งไปทั่วสันพางมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโรคคาพาทน้อยมีพระโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้ไม่ทรงเบียดเบียนไม่ทรงย่ำยีปวงชนด้วยฝ่ามือและท่อนไม้ด้วยก้อนดินด้วยศัตราด้วยคําสั่งประหารด้วยการจองจําหรือด้วยการข่มขู่เพราะกรรมนั้นนั่นแหละมหาบุรุษจึงเข้าถึงสุขติบันเทิงใจและเพราะทํากรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมากเสด็จมาในโลกนี้ ทงได้เส้นปราสาทรับรถพระกรยาหารได้ดีตั้งอยู่ในที่เหมาะสมทำให้โอชะแผ่ไปสม่าเสมอด้วยเหตุนั้นพรามผู้ฉลาดมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งทำนายว่าพระกุมานี้จะมีความสุขมากลักษณะนั้นย่อมบ่งบอกถึงเส้นปราสาทรับรถพระกรยาหารได้ดีนั้นของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นครหัตหรือบรรพชิต 21-22 ลักษณะมีดวงพระเนตรดำสนิทและแจม่มใสดดตาลูกโคพึ่งคลอดภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาและและดูคนหมู่มากด้วยดวงตาเปี่มด้วยความรักเพราะตะถาคตได้ทำสังสมพอ่อพูนกรรมนั้นละถึง จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีดวงพระเนตรดำสนิทสองมีดวงพระเนตรแจม่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่คลอนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาแลดูคนหมู่มากด้วยดวงพระเนตรเตรียมด้วยความรักพระองค์สวยผลมิบากในสุขติทั้งหลายบันเทิงอยู่ในสุขติเหล่านั้นเสด็จมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรแจม่มใสดูตาลูกโคพึ่งคลอด และมีดวงพระเนตรดำสนิทมองเห็นได้ชัดเจนพวกมนุษย์จำนวนมากเป็นอภิยโยคีมีความรอบครอบฉลาดในนิมิตฉลาดในการทำนายอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะชมเชยพระกุมานั้นว่าเป็นผู้ที่แลดูน่ารักอันหนึ่งแม้ทรงเป็นคราห์ีก็แลดูน่ารักเป็นที่รักของคนหมู่มากถ้าไม่ทรงเป็นครห์ตทรงเป็นพระสมณนะจะทรงเป็นที่รักและดับโศกของคนหมู่มาก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 ในความเกื้อกูลสมณะในความเรือกูลพราหมณ์ในความประพฤตอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆอีกเพราะตถาคตได้ทาสังสม พ, อพ่อภูกรกำนั้นละถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์ขาหาดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์และมหาอมาร์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาร์บริษัท ร, ราชาเศรษฐีกุมารดำเนินตาม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 โบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้นำในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริตทรงยินดีในธรรมจริยาเป็นผู้ที่คนหมู่มากดำเนินตามสวยผลบุญในสวรรค์มหาบุรุษนั้นครั้นสวยผลแห่งสุจริตแล้วเสด็จมาในโลกนี้ทรงด้วยความเป็นผู้มีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพัก พวกที่ทรงความรู้ในเรื่องพยัญชนะและนิมิต ท, ทำนายว่าพระกุมารนี้จกเป็นผู้นำของคนหมู่มากในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ในเบื้องต้นจะมีจำนวนมากในการนั้นพรามทั้งหลายจะทำนายพระองค์ว่าถ้าทรงเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะทรงได้รับความช่วยเหลือจากคนหมู่มากถ้ามหาบุรุษนั้นทรงออกผนวดจะทรงเป็นผู้ปราบปรือเชียวชาญในธรรม คนหมู่มากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณคือคำสอนของพระองค์และจะเป็นผู้ดำเนินตาม